เมื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับศับที่ควรทราบแล้วก็พอจะกล่าวถึงความหมายของนิพพานทาตสองอย่างนี้ได้ดังนี้ 1. สอุปาทิเสสนิพพานทาตแปลว่าภาวะของนิพพานที่เป็นไปกับด้วยอุปาทิเหลืออยู่หรือนิพพานที่ยังเกี่ยวข้องกับขันห้าได้แก่นิพพานของพระอรหันต์ ในเวลาที่เสวยอารมณ์ต่างๆรับรู้สุขทุกทางอินทรีย์ทั้งห้าหรือนิพานของพระอรหันต์ผู้ยังเกี่ยวข้องกับขันห้าในกระบวนการรับรู้เสวยอารมณ์พูดอีกอย่างหนึ่งว่านิพานท่ามกลางกระบวนการรับรู้ทางระสาทั้งหซึ่งเกี่ยวข้องกับขันห้าโดยฐานเป็นอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกรับรู้นิพานในข้อนี้เป็นด้านที่เพ่งถึงผล ซึ่งปรากฏออกมาในการรับรู้หรือการเกี่ยวข้องกับโลกคือสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตตามปกติของพระอระหันต์ดังนั้นจึงเล็งไปที่ความหมายในแง่ของความสิ้นราคาโทสะและโมหะซึ่งทำให้การรับรู้หรือเสวยอารมณ์ต่างๆเป็นไปด้วยจิตใจที่เป็นอิสระขยายความออกไปว่าสัพปาทิเสสนิพานธาตุได้แก่ภาวะจิตของพระอระหันต์ ซึ่งปลอดโปร่งเป็นอิสระไม่ถูกปรุงแต่งบังคับด้วยราคะโทสะและโมหะทำให้พระอาหารหันต์นั้นผู้ยังมีอินทรีย์สำหรับรับรู้อารมณ์ต่างๆบริบูรณ์ดีอยู่ตามปกติสเสวยอารมณ์ทั้งหลายด้วยจิตใจที่เป็นอิสระด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมชาติของมันการสเสวยอารมณ์หรือเวทนานั้นไม่ถูกกิเลสครอบงาหรือชักจูงจึงไม่ทาให้เกิดตัณหา ทั้งในทางบวกและทางลบคือไม่ทำให้เกิดความยินดียินร้ายชอบชังติดใจขัดใจพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่มีตัณหาที่จะปรุงแต่งพบหรือชักนำไปสู่พบภาวะนี้มีลักษณะที่มองได้สองด้านด้านหนึ่งคือการสวยอารมณ์นั้นเป็นเวทนาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ในตัวเพราะไม่มีสิ่งกังวลติดข้องขางใจ หรือเงื่อนปมใดๆภายในที่จะมารบกวนได้อีกด้านหนึ่งเป็นการเสวยอารมณ์อย่างไม่สยบไม่อภินันไม่ถูกครอบงำหรือผูกมัดตัวไม่ทำให้เกิดการยึดติดหรือมัวเมาเป็นเงื่อนงำต่อไปอีกภาวะเช่นนี้ย่อมเป็นไปอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตตามปกติของพระอรหันต์เป็นเรื่องปัจจุบันเฉพาะหน้า แต่ละเวลาแต่ละขณะที่รับรู้อารมณ์ในชีวิตประจําวันซึ่งเรียกว่าทิฏฐธรรมซึ่งทิฏฐธรรมก็แปลว่าอย่างที่เห็นเห็นกันหรือทันตาเห็นในเวลานั้นๆตามความหมายดังที่กล่าวมานี้นิพพานธาตุอย่างที่หนึ่งจึงต้องเป็นภาวะของพระอรหันต์ที่ยังส่งชีพและดําเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกอยู่ตามปกติอย่างที่เห็นเห็นกัน และทันตาเห็นเป็นปัจจุบัน